ผูท้ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรมสีน์สนทนาค่ะดิฉันสัมสนีนากพงนะคะก็มาพบกับท่านฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอรอยหในขณะที่ประสงค์ซึ่งได้ให้ธรรมะด้วยการตอบคําถามต่างๆในห้วงเวลาที่ดิฉันจัดรายการนี้ท่านให้ธรรมะท่านฟังกันเป็นประจำมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ ทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนั่นก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุณโญเพื่อเน้นการหลักสูตรหลีกเร้นของวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีซึ่งเพิ่งมีการทอดกระถินกันไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะก่อนที่จะไปกลาบเรียนสนทนาธรรมกับท่านเราก็ไปพบกับท่านพร้อมกับให้ท่านนําพวกเราปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการกันเช่นเคยค่ะกลับมาพิธีการค่ะท่านคะ่ะเชี่ยบอ เรามาฝึกในการปฏิบัติธรรมโดยการที่เราตั้งสติขึ้นให้มาระลึกถึงลมหายใจของเรา ใ, ใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือคำว่าการใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาณาปานสติสตินี้แปลว่าการระลึกได้แต่คำว่าระลึกได้ท่านให้ความหมายไว้ว่ามหมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่กระทา จำคำที่พูดแล้วแม้หนานได้พูดง่ายๆก็คือคิดถึงนั่นเองแต่แทนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอา้าวในที่นี้เรามาคิดถึงเรื่องลมหายใจแต่ลมหายใจอยู่ตรงไหนเราใจเรามาคิดถึงมันตรงนั้นแต่ที่นี้ลมหายใจเนี่ยมันเข้ามันออกมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่เราก็เอาสักจุดหนึ่งจุดที่พระพุทธเจ้า ให้เป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ก็คือบริเวณทางเข้าทางออกกลองลมหายใจนะลมหายใจของเราเนี่ยปกติมันจะเข้ามันจะออกก็บริเวณโพรงจมูกกนะ็คือรูจมูกของเราเนี่แหละนะบริเวณทางเข้าทางออกตรงนี้ก็คือในโพรงจมูกนั่นเองเรารับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นคําว่าเอาจิตตั้งไว้นะที่ตรงนั้นก็คือการระลึกถึงเอามาคิดถึงตัวนี้ เอามาจ่อไว้ที่นี่เอามาตั้งไว้ที่นี่ทีนี้ในขณะที่เรามาคิดถึงระลึกถึงนึกถึงกําหนดอยู่จ่อเอาไว้ตั้งไว้อยู่ที่นี่เนี่ยบางทีจิตเนี่ยที่มันมีลักษณะที่มันเป็นนามมันไม่ได้เป็นคงที่เป็นก้อนแข็งที่จับตั้งไว้แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เหมือนแก้วน้ําเดี๋ยวที่มันจะมีเชฟมีฟอร์มอะไรที่คงที่คงตัวมันก็จะมีเป็นธรรมชาติที่เป็นนามแต่มันอาจจะไปเคลื่อน ย, ย้อยหรือยืดไปรู้สิ่งนั้นรับสิ่งนี้ซึ่งแน่นอนเวลาที่ตำรวจฟังระลึกถึงลมหายใจเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของคาบจ่าไปด้วยอาจจะได้ยินเสียงแอร์ไปด้วยได้ยินเสียงพัดลมไปด้วยหรือว่าอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนข้างบ้านหรือความรู้สึกต่างๆใดๆในกายแต่ไม่เป็นไรนะเนื่องจาะว่าจิตมันจะเคลื่อนมันจะย้อยมันจะไปทํางานอะไรตามหน้าที่ของมันไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเราอย่าลืมหลงลมหายใจให้อย่างน้อยเนีสัก แง่งใดแง่งหนึ่งหรือการระลึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งสักขณะจิตหนึ่งละที่เรายังมาระลึกถึงนึกถึงคิดถึงลมหายใจของเราได้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจผู้ที่ทําได้อย่างนี้ในจิตเนี่ยมันก็จะโน้มน้อมเอียงเทไปทางนั้นจิตที่มันจะงอกออกไปย้วยออกไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะค่อยรวมลงรวมลงขึ้นมาในการรวมลงรวมลงของจิตนี้มันก็คือตามพลังของสติ ที่เราตั้งขึ้นซึ่งถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่อย่างติดต่อทำอยู่อย่างไม่ขาดสายแล้วเนี่ยจะทําให้สติเนี่ยค่อยมีกําลังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่เราผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้กับเสาที่มันมีความแน่นหนาะมั่นคงสัตว์นี้พยายามจะดึงไปละ่ะก็เหมือนกับจิตที่พยายามจะไปงอกไปรับรู้สิ่งนั้นยุวยไปรับรู้สิ่งนี้แต่ถ้าในขณะที่มันดึงไปเนี่ยสัตว์เนี่ยนะ ดึงไปแล้วมันไม่ได้เชือกขาดเสาไม่ได้หักล้มไปมันก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงในเปรียบเทียบเหมือนในขณะที่เรามารู้หลงลมหายใจนี่แหละแล้วจิตมันไปทำหน้าที่อย่างอื่นด้วยรับรู้สิ่งนั้นย้อยไปรู้สิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจแล้วจิตมันจะค่อยโน้มน้อ ม, อมเอียงเทลาดเทมาต่างที่จะให้มีสติมากขึ้นมันก็จะค่อยรวมลงสิ่งต่างๆที่จะมาคอยดึงจิตไปให้มัน เคลื่อนออกจากฐานมันก็จะอ่อนกําลังลงกำลังลงจีเราก็จะค่อยมีสติมากขึ้นได้ซึ้นตัวนี้อาศัยการฝึกฝนเราจะฝึกเป็นรูปแบบอย่างที่เราทําในขณะนี้อยู่ก็ได้หรือจะฝึกเป็นชนิดที่ไร้รูปแบบแคือรูปแบบในขณะที่เราทําอยู่ในชีวิตประจำวันขับรถบ้างเดินดูสิ่งต่างๆบ้างทํางานบ้างก็าสามารถฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นได้นั่นเองจนปานสาธุค่ะสําหรับคนที่ จำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นปลั๊กมันหายไปแล้วก็คนในบ้านเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับปลั๊กเลยยกเว้นเราคนเดียวสมมตินะคะแต่เราก็ทาไม่ได้เลยว่าเราเป็นคนย้ายปลั๊กไปไหนทั้งที่ในบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นเราแค่คนเดียวอืมเพราะว่าเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ปลั๊กตัวนี้อย่างนี้ถือว่าเราเป็นคนไม่มีสติอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ไม่มีสติในเรื่องที่วางปลักนั้นน ะ, ะจาจะไม่มีสติถูกต้องแต่นี้สติมันมีหลายมิติไงค่ะก็เท่ากับว่าถ้าอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าจะฝึกอย่างไม่มีรูปแบบฝึกกับเรื่องปัญหาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปลักนี้ได้ไหมคะไดแก้ปัญหานี้ก็คือตรงที่เราวางเนี่ยคือระบบของความจำํำ ท, ที่ที่ปปุจชาอธิบายถึงว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําำคำที่พูดได้เนี่ยนะระบบความความจําที่เราจะระลึกได้เนี่ยถอนออกไม่ได้จําได้เนี่ย มันต้องอยู่ตั้งแต่ตอนที่เราใส่ข้อมูลนี้เข้าไปทีนี้ว่าถ้าตอนที่เราวางปลั๊กเนี้ยวางปลั๊กนี่นะคือเรา <c oughs> เราจะจําว่ามันวางตรงไหนเนี่ยคือเราจะเก็บข้อมูลนี้ลงไปในสมองน ะ, ะนี้ปรากฏว่าถ้าถ้าเราเอาใจไปใส่ทางอื่นเช่นเรากําลังคิดอะไรสักอย่างนหนึ่อยู่มีสติในลมหายใจหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้จ่ายข้อมูลที่เราใส่ว่าไอ้เราวางปลั๊กไว้ตรงไหนเนี่ยไว้ในสมองดีๆเพราะฉะนั้นพอข้อมูลไม่มีคุณก็ระลึกไม่ได้ อันนี้ก็ธรรมดาก็าจะ่าเพราะว่าการเก็บข้อมูลว่าปลัก๊กนี้วางไว้ตรงไหนในสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกทําไว้อย่างดีเวลามันดึงออกมาเนี่ยมันจึงไม่มีข้อมูลนี้ก็เลยลืมไปก็จําไม่ได้ทีนี้วิธีแก้ทํำยังไงก็ไอ ه, ตอนที่เราวางลงไปเนี่ยเราก็ตั้งสติให้ดีว่าอ๋อฉันวางไว้ตรงนี้พอเราจะระลึกเราจะระลึกได้คุณหยมตือทบทวนอีกครั้งนะึงนะสมมติว่าเราต้องการจะจําให้ได้ว่า ไอ้ฉันวางแว่นไว้ไตรงไหนวางปลั๊กไว้ตรงไหนวางกุญแจไว้ตรงไหนไอ้ตอนที่วางเนี่ยคุณตั้งสติให้ดีว่าอ๋อฉันวางไปตรงนี้ตั้งสติไว้เลยตั้งแต่ตอนที่วางเลยตอนที่วางนะคุณมีสติกับการทําตรงนั้นเวลาที่เราจะนึกว่าเฮ้ยฉันวางไปตรงไหนนะปุ๊บมันจะโผล่ขึ้นมาเพราะมันอยู่ตอนที่เราเก็บข้อมูลลงไปนะทีนี้คําพูดตรงนี้ว่าถ้าเราลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเผลอสติในทางสัมมาสติแต่เราต้องใช้คาให้รัดกลุมนิดนึงสัมมาสติค่ะ <c oughs> คุณอาจจะลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มีสติอยู่กับลมหายใจเป็นไปได้สิเพราะว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราอาจจะลืมว่าอเอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรเราอาจจะลืมว่าอเอ๊ะฉันกินหรื อ, อยังเอเช้านี้กินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลืมได้เพราะสติของเราเนี่ยจออยู่ลมหายใจตลอดมันเลยไม่ได้เอาจิตเนี่ยไปใส่ไว้กับเรื่องที่ทําอาหารที่กินคนนั้นที่มาเยี่ยมหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาในยุคของเรา เพราะเราไม่ได้เอาจิตไปใส่ไว้ตรงนั้นนะเราเลยลืมแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสัมมาสติมันมีหลายมิติตรงนี้ไงหลายมิติค่ะงั้นเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่านอกเหนือจากที่ท่านได้นําการปฏิบัติธรรมที่ว่ามีสติอยู่กับลมหายใจเพราะว่าเรากําลังใช้รูปแบบของอานาปานาสติอานาปานว่าลมหายใจในะคะมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วที่ได้สนทนากันมาก็จะปรากฏเรื่องของมีสติ อยู่กับลมหายใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอีริยาบถ ท, ที่นั่งปฏิบัติสมาธิแต่ละทําอย่างอื่นไปด้วยก็จึงทำให้รับรู้แต่ในเรื่องของลมหายใจในขณะที่กระทำอย่างนั้นอยู่ถูกไหมคะถูกต้องกับอีกมิติหนึ่งก็คือว่าเป็นการฝึกสติกับการทํางานเลยคือเหมือนกับว่าเรากำลังจ ะ, ะจดจาให้ได้ว่าวางของไว้ที่ไหนเช่นปลัก๊กเราก็มีสติในขณะที่ เราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการวางปลัก๊กใช้ปลั๊กอย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องสามมิติ hmm. ก็ดิฉันถามไปเพื่อที่จะให้ท่านได้ทราบนะคะว่าประการที่สามที่พูดถึงเรื่องของปลั๊กเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกในการเจริญสติที่เข้าข่ายของการปฏิบัติธรรมไหมคะใช่ใช่ถูกต้องมันจะเข้าข่ายของการปฏิบัติธรรม ท, ทีนี้ว่าการเข้าข่ายของการปฏิบัติธรรมเนี่ย องค์ประกอบที่เอามาใช้นี่ก็เกี่ยวข้องเนะี่ยคือส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องของสติปัฏฐานสี่ในเรื่องของกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงว่าเอาคุณเดินคุณก็รู้ใช้ว่าเราเดินนั่งยืนทําอะไรอยู่ก็ให้รู้ชัดในอริบทนั้นๆกิจกรรมนั้นๆนี่คือตรงนี้นะคือตรงนี้ค่ะอันนี้มันถึงจะถูกมันถึงจะดีค่ะที่เรียกก็เป็นจิตอธิฐานการงานอ่าใช่ใช่ใช ค่ะ ท, ทีนี้ดี๋ฉันก็ต้องกลับเรียนสา ร, รภาพนะคะกับท่านผู้ฟังแล้วก็กับท่านอาจารย์ด้วยก็คือว่าตัวเองเนี่ยบางครั้งพยายามการพยายามมีสติเนี่ยมันจะได้พบอย่างหนึ่งนะคะว่ามันลืมหลงไม่ไม่ยะง่ายนิดเดียวทั้งหมดอย่างนี้นะคะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเรากาลังฟังแผ่นเอ็มพีสามเพื่อที่จะท่องบทสวดของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะอ <c oughs> พอเราฟังผ่านมาเอ๊ะ ฟังไม่ทันย้อนกลับไปใหม่แล้วตั้งใจจะมาฟังตรงที่เราฟังไม่ทันเนี่ยแต่พอฟังฟังไปปุ๊บจิตมันไปคิดอย่างอื่นอีกแล้วนะคะก็อ้าวต้องตั้งต้นใหม่อีกรอบนึงจับไม่ทันซะแล้วไม่รู้หายไปไหนตรงที่อยากรู้ น, นี่เนี่ยถือว่าบอกอะไรกับเราคะหมายถึงว่าสติเรามีกำลังอ่อนอเพราะว่าคาว่าสติเนี่คือการระลึกได้นะคือเราเร า, เราจ่ออยู่ตรงเนี้ย เราใจจดใจจ่อไว้คือคนที่มีสติเนี่ยจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ <Okay. S 1> ทีนี้ว่าพอสติมันกําลังอ่อนสมาธิมันก็ไม่เกิดทําไมสติตึงกาลังอ่อนอันนี้เรากําลัง <Okay. S 1> จะสาวหาเหตุไปอาจจะเป็นเรื่องของศีลที่ว่าศีลอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราศีลดีมันจะไม่ใช่ประเด็นนี้คือถ้าเรามั่นใจว่าเราศีลดีมันอาจจะเป็นเรื่องของการยกตนข่มท่านหรือเปล่าว่าเออ <Okay. S 1> ถ้าเรายกตนข่มท่าน มันจะไปข่มใครนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนึกกไหมเพราะฉะนั้นทําให้ใรัตนะของเราอาจจะเสื่อมนะคําว่ารัตนะเนี่ยหมายถึงสารณะของเราก็นะ ค, คือพุพทโธธัโมสังโฆเนี่ยถ้าบอกว่ามันเสื่อมนะคําว่าเสื่อมเนี่ยก็คือบางทีเราติพระบ้างหรือลบหลู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันลบหลู่ครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าจิตไปเป็นลักษณะนั้นรัตนะเสื่อมแคำว่าสารณะคือที่ไปเนี่ย ทำใหจิตเนี่ยมันมันไปไม่ได้สมมุติเราจะชักนำให้จิตมันไปอยู่ตรงนี้แต่มันน่าจะต้องตั้งอยู่นี้ได้แต่พอมันตั้งได้แป๊บนึงมันหลุดวับหรือมันมันหลุดเพาะออกไปเนี่ยหรือเหมือนกับว่าเราจะเชือกที่เราจะดึงหมามาอย่างเงี้ยนะหรือดึงบัวดึงควายเนี่ยให้มันเดินมาตรงนี้แต่ดึงๆไปเนี่ยเชือกมันขาดตั๊บเชือกมันหลุดอ่ะหรือมันขาดเนี่ยมันก็ดึงมาไม่ได้จิตเราเนี่ยจะลักษณะนี้แต่จิตคนที่แบบสารณะเสื่อมมันจะเป็นได้ในในสเคสนี้คือ1พุทธ ธรรมะสังขะหรือศีลที่มันเศร้าหมองอซึ่งสีอย่างเนี้ยคือโสตาปฏิยังกัสสีนะคุณหยมติว๋ว โ, โสตาปฏิยังกัสสีเนี่ยหมายถึงให้ไปตามกระแสแต่จิตมันไม่ตามกระแสมันดันกลายเป็นไปกระแสของผัสสะกระแสของพันตันหาเออมันไม่ได้มากระแสของนิพพานนะแสดงว่าโสตาปฏิยังกัสอาจจะเสื่อมองั้นก็เท่ากับว่า อ, อันนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ของการเป็นเาเรียกอะไรคะอริยบุคคลเบื้องต้นแล้วถูกไหมคะเพราะว่าโสตาปฏิยังคัีเนี่ยใช่คุณสมบัติที่ท่านบอกว่าอ่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลใช่ไหมคะ อ, มอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันแปลว่าคนที่ยังไม่ขึ้นไปถึงอริยบุคคลขั้นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะที่จะมีมีปัญหาสติกำลังอ่อน ถ, ถึงแม้ว่าไอ้ไม่ต้องไปถึงขั้นผลเราคงพูดถึงเรื่องมาร์กเลยน ะ, ะมาร์<ะ>เนี่ยคือยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิผลหมายว่ามั้งไงหมายความว่าสมาธิติยังไม่ได้เกิดร้อยเอซอาจจะยังมีสีละพัตบปบรมาสอยู่บ้างอาจจะมีความเครือบแคลงไม่ลงใจอยู่บ้างเพราะว่าไอ้สังโยชน์สอย่างนี้มันยังละไม่ได้คือถ้าได้ผลผลกับมาร์กระหว่างโสดาบันเนี่ยมันจะต่างกั น, นคือคนนี้ก็มีสีเหมือนกัน มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันนะทั้งมรรคและผลเนี่ยมีเหมือนกันอะแต่มรรคจะต่างกับผลอ น, น, นี้คือขั้นโสดาบันนะตรงที่ว่าผลเนี่ยจะสามารถลักสังโยชน์สมอย่างได้แต่มรรคนี่ยยังลักไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดูเผยๆอะคนนี้ก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์นะเราก็มีศีลน ะ, ะเขาก็เป็นโสดาบันแล้วอะอันนี้คือเป็นโสดาปฏิมรรค่ะอันนี้แน่นอนฟันตรงได้แล้วผู้นี้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่า ยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษก็คือสัพปริสภูมิก้าวล่วงพ้นปุตุชนภูมิยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องอ น, นี่คือคมรคนะมรคนะจนกระทั่ง ค, คุณทําไปทําไปทําไปทําไปจนลอกจนถูจนขาดมันให้ดีแล้วไม่มีหลุดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคุณก็จะลอกอะไรหลุดอะไรออกไปก็คือสังโยษ์สามอย่างหลุดออกไปอันนี้ก็จะเป็นโสดาปฏิผลค่ะ อ๋อนันก็เท่ากับว่าไม่จําเป็นต้องถึงขนาดสังโยษ์สามหลุดไปแล้วถูกไหมคะแต่เป็นผู้ที่เดินมาตามมักมเดินไปตามมักเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นโสดาบันอืนะคะก็ถ้ า, ถ, าถ้าจะเปรียบเทียบนะค่ะถ้าเราปรียบแม่น้ําใหญ่อ ย, ยอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าประยาเป็นต้นกระแสกลางแม่น้ําเจ้าพริยาเนี่ยมันจะไหลเร็วกว่าที่ริมๆใช่ไหม แล้วกระแสเนี่ยมันก็จะไปถึงทะเลได้ถ้าเราเกาะการกระแสคุณไม่ต้องพายอะไรมากแค่สวีซ้ายขวาให้ดีก็ตามร่องน้ําไปก็ไปถึงทะเลได้ตรงเนี้ยคือเปรียบเหมือนกับโซดาบันผลนะผลคือพูดถึงกระแสที่จะไปถึงทะเลละในทีนี้ค่ะถ้าเราอยู่บนฝั่งอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้เนี่ยแล้วเรากําลังจาวเรือของเราเนี่ยออกไปสู่กลางแม่น้ําตรงเนี้ยคือโสดาปฏิมักทางที่จะไปสึงกลางแม่น้ำตรงนั้นนี่คือขั้นมักอยู่ แต่ยังไม่ถึงกลางแม่น้ําน่ยเพราะฉะนั้นระหว่างจากฝั่งไปถึงกลางน้ําเนี่ยคุณจะต้องพยายามมากมากกว่าที่จะไปถึงกลางน้ําแล้วนะเพราะมันยังทําไม่เป็นอุปนิสยัยมันยังทําไม่ลงตัวอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างเออแต่ว่าอย่างน้อยมันยังออกจากฝั่งแล้วมาสู่ทางของคนดีที่กขาจะทํากันแล้วมาสู่ภูมิของคนดีแล้วไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาแล้วออกจากฝั่งมาแล้วอันนี้มันดีกว่าละเดี๋ยวแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าที่ยังไม่ลงตัวยังไม่เป็นอุปนิสยัย ฟื้นบ้างทําบ้างอะไรบ้าง ก, ก็พยายามเข้าอย่างเงี้ยค่ะนคะคะที่ว่าสําหรับผู้ที่ได้โสดาปันติผลแล้วละสังโยชน์สามได้แล้วสามอย่างนั้นคืออะไรคะท่านคะอย่างแรกคือสักกายทิฏฐินักมากสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนนทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเขาจะละความเห็นนี้ได้สิ่งที่เขาจะมีคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีนะ แต่ว่ายังละไม่ได้นะยังละเรื่องร้อยรัดกับว่าสามาัมมาทิฏฐมีเนี่ยหมายถึงว่าเข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งต่งตางๆมันไม่เที่ยงแต่ยังละความยึดถือในสิ่งนั้นไม่ได้อันนี้คือจะความแตกต่างกันระหว่างโสดาบันกับอรหันนะคือโสดาบันแค่เข้าใจเฉยๆว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่ายังละไม่ได้แต่อรหันนี่ละได้แล้วค่นะเพราะฉะนั้นความเข้าใจตรงเนี้ยจึงเป็นสมัมมาทิฏฐิข้ามล่วงสักยะทิฏฐิมันจะตรงข้ามกัน อย่างที่สองถัดมาคือจะสามารถที่จะละศีลละพัตตประมาทได้คาว่าศีลละพัตตประมาทก็คือการประพฤติการปฏิบัติชนิดที่ลุกรูปคำคลำชนิดที่แบบหวังผ ล, ผลผิดด้านทําไปไม่ถูกนี่คือศีลละพัตตาประมาทสิ่งที่เขาจะมีก็คือความทําจริงแน่แน่จริงเป็นวิริยะเป็นวิริยะความทําจริงแน่แน่จริงคือไม่ใช่แบบว่าทํารูปรูปคำคลำทำแบบขอไปที หรือว่าทําผิดๆถูกๆแต่ว่าทําจริงแน่จริงล่ะคือมันถึงกระแส <Okay. S 1> แล้ว่มันมั่นใจแล้วพอมีความมั่นใจแล้วก็มีการทําจริงแล้วในข้อที่สมคือความเครือบแคงความสงสัยที่เขาจะลาได้สับทที่พระพุทธเจ้าใช้คือวิจิกิจฉา <Okay. S 1> ความเครือบแคลงความสงสัยเนี่ยมันจะตรงข้ามกับศรัทธาศรัทธาเพราะฉะนั้นเขาจะมีความศรัทธามั่นใจเลยมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธปรรมพระสงค <Okay. S 1> ์คืออันนี้ก็จะเต็มที่จะตรงกันข้ามกันกับวิจิกิจฉา ค่ะนะคะก็ได้ความรู้กันไปอีกว่าถ้าได้เป็นอริยบุคคลในชั้นโสดาบันแล้วอาการก็คือต้องละสังโยชน์สามได้ดังนี้ผลนะค่ะทีนี้อ่า๋ังขอภายนิดนึงที่จะกลับเรียนถามตัวอย่างของผู้ปฏิบัตินะคะอืเอีอยวฉันก็ได้สนทนากับบางท่านเนี่ยมีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นคนนั่งสมาธิได้ดีมากมได้เร็วด้วย แล้วเขามีครูบาอาจารย์นะคะอ่าก็ดูเหมือนกับว่าจากการตรวจสอบจากครูบาอาจารย์เนี่ยก็พบความก้าวหน้าเยอะละ mm. เขาก็มีความภาคภูมิใจมาก mm. แต่วันหนึ่งขวัญเขาเสียกระทางการ mm. บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งทําให้เขาโกรธ mm. นะฮะดยการมาพูดอะไรที่ทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะไปตําหนิคนอื่นในแวดวงเขาเนี่ยแต่ว่าตําหนิแบบเหมาวรวมอืม mm. เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกตําหนิโดยเพื่อนรักของตัวเองนี่ด้วยอื hmm. ว่าแบบเมาเข่งอ่ะแทนที่จะพูดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีแต่บอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ดีอื hmm. ที่อยู่ในองค์กรเดียวกันใช่ไหมคะ hmm. เขาก็เขาบอกอาการกโกรธของเขาเนี่ยมันข้ามวันข้ามคืนนะแล้วเขาถามดิฉันว่าดิฉันเนี่ยเป็นไหมลักษณะของอาการกโกรธปรากฏทางร่างกายด้วยนะคะคือเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนอะไรนี่มันเต้นอยู่ในตัววิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยเต้นแบบ <laughs> ไม่ผิดปกติมากอืมอ่า uh, ซึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ในฐานะที่เขากําลังฝึกปฏิบัติอย่างหนักเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวข้องกันไหมดังนั้นก็อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะเอ่อมันก็จะเป็นได้สองกรณีจะมา <c oughs> ไม่แน่ใจว่ากรณีไหนเอากรณีแรกก่อนก็คือว่าเมื่อทีอาจจะคิดไปเองว่าตัวเองทําได้ดีแต่จริงๆอาจจะทําได้ไม่ดีอันนี้จะเป็นกรณีหนึ่ง หรือกรณี2คือทําได้ดีจริงๆนะคือปฏิบัติมาถูกทางเป็นไม่ใช่เป็นมิจฉาสมาธิแต่เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นมิจฉาสติแต่เป็นสมาสติอย่างเงี้ยคือปฏิบัติได้ดีถ้าสมมติว่าทําดีมาถูกต้องแล้วคําสอนถูกต้องปฏิบัติได้อย่างดีแล้วแล้วอาการที่มันเกิดตอนนี้มันธรรมดาว่ามันเป็นเครื่องทดสอบคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะคุณโยมติวนะเขาจะมีเครื่องทดสอบกันทุกคนเครื่องทดสอบนะคำนี้นะคำว่าเครื่องทดสอบเนี่ยต้องมีแน่นอน เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องทดสอบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในมาร์กได้งานก่อสร้างที่ไหนก็นแล้วแต่นะคุณโยมติวจะตึกแค่ไม่กี่ชั้นหรือจะตึกสูงเป็นร้อยชั้นก็ตามเนี่ยถ้าทำตามกระบวนการของระบบวิศวกรรมอย่างดีเนี่ยคุณจะต้องออกคอนกรีตเนี่ยมาทดสอบด้วยการทุบให้มันแตกแล้วก็ทดสอบดูว่าสมมติว่าคอนกรีตรถคันนี้คุณเอามาใช่ไ่มคุณจะต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งเข้าแลบ ให้มันแข็งเสร็จปุ๊บลองกดดูว่ามันแตกที่ความดันเท่าไหร่นะ ร, ร, รับแรงได้เท่าไหร่พอปุ๊บเขาก็จดไว้อ๋ออันนี้ถูกต้องได้ตามมาตรฐานถ้าเราไม่ทำให้มันแตกนะเราจะไม่รู้เลยว่ามันรับแรงได้เท่าไหร่เราจะไม่มีทางรู้นะค่ะอนี่คือหลักการทั่วไปกล้เช่นเดียวกันนะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าคุณอยู่ในมากได้คุณจะรู้ได้ไงก็ต่อเมื่อมีอะไรมากระทบตูมฉันอยู่ได้อ่ะอันนี้นี่คือ คือดีแต่ถ้ามากระทบตุ้มแล้วคุณอยู่ไม่ได้อ้าวอันนี้คือคุณคุณยังทําไม่ดีดังนั้มันต้องมีกระทบแน่นอนค่ะเท่ากับ ว, ว่าเครื่องทดสอบนี่กําลังจะบอกว่าให้รู้นะอย่าลงดีใจไปยังต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกหรือว่าเครื่องทดสอบนี่กําลังบอกว่าไอ้ที่ปฏิบัติมานะั้มันไม่ถูกนะไปหาทางทําให้ถูกซะเออมันบอกได้ทั้งสองจุดว่าเ อ, อแน่นอนที่เราทํามาเนี่ยมันถูก ที่ถูกมันก็จะมีละ่ะที่มันอาจจะยังไม่ถูกมันก็จะมีเพราะฉะนั้นพอเรามีการกระทบปุ๊บเนี่ยอ๋อเรารู้แล้ว่าตรงไหนที่มันไม่ถูกเราก็แก้ไขตรงนั้นนเราก็ต้องดูให้มันถูกจุดค่ะอืก็คือว่าไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่า อ, อาการวิ่งวิ่งนะั้นมันคืออะไรวิ่งกันแน่ถูกไหมคะอืมใช่ใช่ไม่ต้องไปสงสัยตรงนั้นค่ะที่แน่นอนก็คือว่าเราจะละความโกรธตรงเนี้ได้อย่างไรเวทนาหรือความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น เราอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นแต่ให้ตั้งอะไรไว้ให้ตั้งสติเอาไว้ค่แะแความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นให้รีบลักเสียทํายังไงถึงจะรักความโกรธได้คุณลืมเมตตาหรือเปล่าโอ้ลืมไปลืมไปแล้วไอ้เครื่องทดสอบเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากคนใกล้ตัวเท่านั้นค่ะอันนี้ามายืนยันได้ยิ่งรักกันเท่าไหร่ยิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่แม่มันยิ่งสอบกันดีจริงจริงค่ะ เพราว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รักคนนี้เนี่ยนะค่ะ <c oughs> คนที่เราไม่รักเขาจะมาสอบเราไม่ได้เพราะเพราะเราไม่ได้ไปไปมีจิตอะไรคล่องในคนนั้นน่ะนึกออกปะ <c oughs> พอเราไม่มีจิตคล้องอะไรในคนนั้นเขาทําอะไรเราจะไปแคร์ทำไมเพราะ <c oughs> ฉะนั้นคนพวกนี้จะทดสอบเราไม่ได้ท่านคะแต่อย่างกรณีเนี้ยดิฉันกําลังมองที่ว่าเพราะ อย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันจะเกิดก็เกิดกับคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะคะแต่เรายังกำลังดูว่าเหตุแรกเนี่ยมันเกิดกับตัวเองเหมือนกรณีจำพุทธพจน์ได้เรือองลางนะคะที่ว่าพระพุทธองค์ถามว่าถ้ามีคนเข้าเผาแบบกิ่งไม้มาหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่หญ้าไม้หรือกิ่งไม้ที่เขาขนไปเผาหรือคนไปทิ้งเธอจะรู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านั้นค่ะ เราก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเราถูกไหมคะไม่ใช่ตัวเราแต่ที่นี้เหมือนอย่างที่ตัวอย่างที่ได้กลับเรียนท่านเนี่ยก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในนั้นด้วยที่เขากำลังด่าเนี่ย ม, มันมีตัวตนใช่อันนี้ก็คือคําค ำ, คำด่าเดียวกันถ้าสมมติว่ามาจากคนอื่นบางทีมันไม่จี๊ดเท่ามาจากเพื่อนรัก ก็คือสองสองอย่างถูกไหมคะอย่างนึงก็คือคิดว่าเป็นตัวเราแต่อีกอย่างหนึ่งคือว่าคนอื่นด่าไม่เป็นไรหรอกไอ้เพื่อนเราทําไมมาด่าเราด้วยไม่รู้จักคิดใช่อ๋อค่ะแล้วแล้วบททดสอบนี้ก็จะถ้าเราสอบไม่ผ่านค่ะมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆเหมือนเหมือนนาฬิกาปลุกเนี่ยค่ะถ้าถ้าสมมติเราเราไม่ตื่นมันก็จะปลุกแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยในอะไรที่เราสอบไม่ผ่านเช่นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะมาพูดถึง ไม่ต้องพูดถึงคนปฏิบัติธรรมที่แบบว่าทำได้ดีหรอกเอาแค่ว่าคนที่แบบอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือทำนิดหน่อยเจอความทุกข์ในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยเจ็บบ้างป่วดบ้างโรงคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเมียงไม่รู้สึกนะอเครื่องเตือ น, นมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆสุขภาพาร่างกายมันไม่ได้จะดีขึ้นหรอกคุณโยมติ๋วมันจะมีแต่แย่ลงอพอเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นเราจะมีแต่แก่ลงและที่เครื่องเตือนก็จะคือความตายอยากความตายนี่ก็เป็นเครื่องเตือนพระเจ้าจึงบอกว่าพวกเนี้ย เป็นเทวทูตค่ะเป็นเทวทูตแน่นอนเราประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจเนี่ยเป็นเทวทูตค่ะคือมาเตือนนะมาเตือนดิฉันดิฉันจริงๆก็ห่วงคุณจั ก, กริดเพราะว่าคุณจั ก, กริดนี่แฟนแฟนรายการถามคําถามมาแต่เนื่องจากว่าพยายามก็เหลือไม่มากนักดิฉันอยากจะขออนุ ญ, ญาตคุณจั ก, กริดว่าคําถามคุณจั ก, กริดไปเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่ายังมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะได้ๆเกี่ยวกับในกรณีนี้เครื่องทดสอบนี่พระพุทธองค์เรียกว่าอะไรกะนะคะ อันนี้ก็คือภาษาหนะึ่งภาษาทั่วๆไปอ่ะบางทีเครื่องสอบนี้เราก็สอบผ่านนะเราก็ไม่ได้จะไปทุกตามสิ่งที่มากระทบแต่ว่าภาษาบางประเภทโดยเฉพาะยิ่งมาจากคนนีนะ้อันนี้เราสอบไม่ผ่านาก็คือภาษานี้เราไม่ผ่านแต่ประเั็นภาษาเนี่ยจะเป็นตัวที่มาเวลามากระทบปุ๊บเนี่ยจะเป็นการสอบเราตลอดเวลาแตนะ่ถ้ายังมีภาษาอยู่มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเวทนาใช่ไหม เมตนาเนี่ยทั้งหมดประชุมลงที่ความทุกข์นะเออมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นแต่ถ้าบอว่าคุณดับเวทนานี้ได้โดยการที่ตั้งสติเอาไว้เพราะความดับไม่เหลือของตัณหาเพราะความดับไม่เหลือของตัณหาปุ๊บเวทนาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดปุ๊บทุกข์ดับเราก็สบายชิวๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าจะบอกอีกทีนึงก็คือว่าสมมติเป็น KPI เป็นตัวชี้วัดว่าคุณก้าวหน้าหรือยังในการที่จะปฏิบัติเนี่ยนะคะ ก็คือเหมือนกับความสามารถในการที่จ ะ, ะดับผัดษะถูกไหมคะดับดับผลของผัดษะต่างๆอ่าใช่ใช่เหตุของผัดษะและผัดษะค่ะท่านค่นในทางกลับกันเลยนะคะสมมุติคนไม่เคยรู้อะไรเนี่ยแต่เป็นคนที่เขาไม่มีอารมณ์สวิงสวายเลยเจออะไรก็เรื่อยๆรื่อเจออะไรก็เรื่อย แต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะคะอ่า uh huh. คนแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วไห ม, มคะมันมันไม่แน่ที่ที่เอามาขออภัยใช้คําว่าชิวๆบางทีอาจจะไม่ถูก <Okay. S 1> เพราะว่าบางทีเราไม่ได้โกรธโกรธนี่เป็นแค่ครื่องอันหนึ่งเท่านั้นเองนะค่ะ <Okay. S 1> อยากด้วยนะโกรธนี่คือโทสะนะราคานี่ก็ด้วยนะราคานี่ <Okay. S 1> แบบทําให้เราอยาก<ๆ>ใช่ปะเราจะไม่ได้อยากเราจะไม่ได้โกรธแต่เราไม่รู้เรื่องง ง, งๆแบบว่าชิ ว, ชวๆนี่ก็เป็นโมหะได้เหมือนกันน่ะคือไม่เข้าใจมันน่ะไม่เข้าใจมันว่า อ๋อภาษานี่มันมีเหตุเกิดนะ้ามันดับไปได้นะไม่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นตัวตนของเราเห็นว่ามันเป็นตัวตนของเราแต่ฉันก็ชิวๆนะฉันไม่ได้ว่าจะไปจี้จารหรือว่าเข้าไปอยากแต่ว่ายังเห็นว่าเป็นตัวตนเนี่อันนี้คือมันไม่ถูกมันยังเป็นโมหะอยู่ ค, คือคือลักษณะของของตรงนี้มันคือเป็นภาวะตัณหาคือคือสมมติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบตู้มเนี่ยถ้าเราไม่วิ่งหนีวิ่งหนีนี่คือโทสะใช่ป ะ, ะถ้าเราไม่วิ่งเข้าหา คือนี่คือราคาถูป่ะค่ะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจคือมืดน่ น, นคือวิ่งหนีนี่คือคือร้อนคือวิ่งเข้าหานี่คือหิวมืดไม่เข้าใจมันมองไม่เห็นอย่างถูกต้องเนี่ยนี่คือโมหะบางทีเราก็เข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันเชื่อมกันเนี่ยคอยเชื่อมกันเนี่ยอันนี้คือตัณหาตัณหาเวลามีภาษามากระทบปุ๊บมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นเน่ะเป็นตัวมันของมันตัณหาตามนาทีนี้ค่ะเออ ดิฉันเข้าใจว่าบางคนที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าโอ้โหนี่พูดธรรมะล้วนๆเลยนะไม่รู้เรื่องขอภัยนะคะอะขอเปรียบเทียบกับอันนี้ดิฉันจะพยายามแปลนะคะ <c oughs> ว่าใช่ที่ดิฉันเข้าใจไหมคนชิวชวเนี่ยก็คือฟังเราอยู่เนี่ยเถียงเลยฉันแสดงว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้เนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกรู้สมกับอะไรเลยแต่ไอความที่ไม่รู้สึกรู้สมกับอะไรเลยเนี่ยก็คือความรู้สึกที่บอกว่า ตัวเองไม่รู้สึกรู้สมกับอะไรชั้นเนี่ยแน่ฉันไม่มีปัญหายอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้คือความเป็นตัวที่ทา่านว่าเป็นโบค่ะใช่ใช่นะคะทั้งฝั่งค่ะเพื่อให้เราเข้าใจาง่ายเข้าอย่างนี้นก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนกว่าจะทําความเข้าใจอะไรได้นี่ก็ช้าเหมือนกันค่ะ <c oughs> ต้องพยายามถามให้ชัดเจน <c oughs> แล้วเผื่อจะมีคนเหมือนดิฉันด้วยค่ะโอเคประเด็นต่อไปไก็คือว่าในจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือมรค8คําสอนของปุโรชาติที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็คือเจ้าอวิชชาตันหานีคือบางทีมันนิ่งๆชิวๆไม่มีอะไรแต่มันมีรากของมันอยู่ทีนี้เมล็ดพันธุ์ที่ดีกับไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าเราไปรดน้ําต้นไหนมากกว่าถ้าเรารดน้ําต้นที่มันไม่ดีมากกว่ามันก็จะทําให้เจ้ากิเลตันหาพวกอวิชชานี้เติบโตขึ้นมาเป็นราคาโทสะโมหะ ทีนี้ถ้าเราลดน้ําต้นที่มันดีมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลนี่คือตรงกันข้ามกันนะทีนี้น้ําที่มาลดนี่แหละคุอโยมติ๋วคือผัาษะที่มากระทบภาษาที่มากระทบถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามมันจะลดน้ําต้นที่ไม่ดีก็ได้ตรงไหนตรงที่เป็นภาัษาที่น่าพอใจแล้วเราลุ่มหลงมันจะวูบน้ําี่มันจะไหลไปตรงที่มันไม่ดีเลยรดต้นที่ไม่ดี หรือถ้าเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็แบบขยักขย้งเกลียดชังไม่พอใจหรือภาษาที่เป็นอัตุกรมสุขเวทนาเราก็ไม่เห็นแจ้งแทงตลอดในมันอันนี้แสดงว่าคุณเอาน้ําที่เป็นเป็นภาษาเนี่ยมารดต้นที่ไม่ดีที่อยู่ในใจของเรากิเลมันก็จะงอกเงยเพิ่มบูนขึ้นนะทีนี้ในทางรตรงกันข้ามภาษาที่เป็นสุขกตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขกตามที่มากระทบเนี่ยเราสามารถแชนแนลมันมารดต้นที่ดีในใจของเราได้ โดยสุขใช่ไหมภาษาที่เป็นที่ตั้งสุขเวชนาเราก็ไม่ลุ่มหลงในมันที่เป็นทุกข์เราก็ไม่กยักแยงกิเลสช่างสิ่งที่อาจจะไม่ได้บอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความที่มันเกิดได้ดับไปได้อันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับน้ําที่จะมารดต้นที่มันเป็นพืชพันธุ์ที่ดีแตนะพืชพันธุ์นี้พระพุทธเจ้าเ ป, ปรียบไว้แนตะโดยพืชพันธุ์ที่ไม่ดีเนี่ยเปรียบกับน้ําเต้าขมน้ําบวบขมหรือสะเดา เพราะว่าน้ำที่ฝนที่มันตกลงมาปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยก็ผัสสะเหมือนกันอะแต่ว่าพอมันไปตกลงดินที่มันมีต้นสตเราอยู่เนี่ยผลยังไงมันก็ออกมาขมแต่ถ้ามันไปตกลงดินที่เป็นต้นมะม่วงอยู่เนะ่ยต้นอ้อยต้นมะม่วงหรือต้นองุ่นที่มันเป็นพืชพันธุ์ดีเนี่ยยังไงมันก็ออกมาหวาน <Okay. S 1> อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าประียบเทเียบเอาไว้นะว่าเรามีเมล็ดพันธุ์เนี่ยอยู่ในใจของเราอยู่ที่ว่าเราเอาน้ําเนี่ยไปรดต้นไหน ดังนั้นผัสะสะ ท, ที่มากระทบนะคนเจอสุขบ้างบ้างทุกมากบ้างมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าคนยากจนก็อาจจะเจอทุกมากหน่อยคนร่ํารวยอาจจะเจอทุกแล้วก็เจอสุขมากหน่อยนะทุกก็เป็นทุกของคนร่ํารวยไปแต่ทั้งสองคนนี้สามารถเห็นธรรมมาได้โดยการเอาภัสสะ ท, ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเนี่ยไปเข้าสู่มเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือธรรมะที่อยู่ในใจเราก็จ ะ, ะไปได้เจอเครื่องทดสอบแล้วก็ผ่านได้นะคะดังนั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่า ถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาสถานที่ใดที่มันไกลไปก็ได้ตัวเราเองนี่แหละคือสถานที่ของการที่จะเรียนรู้และเจริญก้าวหน้าให้ได้ในเรื่องของธรรมะมพูดอย่างนี้ได้ไหมคะถูกต้องมีภาษาที่ไหนนั่นแหละคือโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมทันทีค่ะนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่เดี๋ยวคิดว่าท่านคงเห็นมุมแล้วละว่าท่านจะเล่นกับภาษาของท่าน เพื่อปฏิบัติธรรมนะคะแล้วเราก็คงจะต้องให้เป็นแบบฝึกหัดไปแม่งค่ะท่านส่วนที่จะมากลับน้ำมาศการท่านจริงๆอยากจะถามเรื่องกระถินเรื่องหลังจากพรรษาแล้วของท่านเอาไว้พรุ่งนี้นะคะได้ไดอันนี้จะน้ำมาศการขอบพระคุณท่านเปรีบุญไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ<ด>นมาสการค่ะ หลวงพ่อคานั้นคือพระมหาภัยบุญอภิปุโนนะคะวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีท่านก็เมตตาตอบคําถามให้กับพวกเราชนิดไม่จํากัดคําถามแล้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันดูเป็นคําถามที่เหมือนกับจะหลุดออกจากวงจรของธรรมะแต่ก็ปรากฏว่าท่านภับุญสามารถที่จะอธิบายให้กับเราในแง่มุมของธรรมะเราจะได้รู้ว่าเรานี่แหละชีวิตของเราเนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการไปเห็นไปลิ้มไปได้กลิ่น ไปรู้สึกต่างๆนี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัตินะคะได้ฝึกกันตามคําสอนของพระศาสดาในการสัสนิษฐานค่ะดิฉันสันนิษฐานาคพงนะคะพบกับท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยท่านภับูลเนี่ยจะพบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยส่วนดิฉันจะมาวันพระอาสวัดีถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุท่สวัสดีค่ะ